ทีนี้ก็มาขึ้นมัสสีกันกันที่เก้าเนี่ยนะกันว่าด้วยแม่ของเด็กน้อยเนี่ยนะก็เมื่อพระเวสสันดนรราชฤาษีทรงบริจาคปิยปุตตะมหาทานเนี่ยนะคือให้ลูกสุดที่รักเป็นมหาทานเนี่ยนะเกิดอาัศาจรรย์เนี่ยมหาปัต ภ, ภีก็บะลือลั่นโกลาหนเป็นอันเดียวกันตลอดพรมโลกระหว่างนั้นแผ่นดินไหวนะตอนที่ขณะให้ หมู่เทวดาที่อยู่หน้าหิมวันแต่ประเทศเป็นประหนึ่งมีหทัยจะพินธนาการด้วยเหตุได้ยินเสียงพิล่าพรำพันนั้นแห่งพระชาลีราชกุมารและพระกันหาชินาราชกุมารีที่ชูชกนําไปเนี่ยนะเขอบอกว่าคนที่หัวใจจะแตกตายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพระเวสสันดรเท่านั้นแหะเทวดาแถวนั้นเนี่ยหัวใจจะแตกตายกันไม้หมดว่าได้ยินเสียงเด็กมันร้องคร่ำครวญอยู่ในป่านะก็สงสารเหมือนกันเทวดาก็เลยมาปรึกษากันว่า ถ้าพระนางมัตสีเนี่ยมาสู่อาสมมาสถานแต่วันพระนางไม่เห็นพระโอรสที่ดานในอาสมนั้นจะทูลถามพระเวสสันดรทราบว่าพระราชทานแก่พราหมณ์ชชคไปแล้วพึงเสด็จเล่นไปด้วยความเสน่หาเป็นกําลังก็จะได้เสวยความทุกข์ใหญ่ก็ไม่อยากจะให้พระนางมัสสีเนี่ยได้รับเสวยทุกข์แบบนั้นครงนั้นเทวดาก็เลยบังคับเทพพระบุตรสามองค์ว่าท่านทั้งสาจงจําแรงกายคนหนึ่งนะเป็นราชสีคนที่สองเป็นเสือโครง องค์ที่สมเป็นเสือเหลืองเนี่ยนะไอเทวดาแปลงร่างเป็นเป็นสัตว์ที่น่ากลัวซะแล้วก็ไปกั้นทางพระนางมาสัสยีแม้พระนางจะอ้อนวอนขอทางก็อย่าให้จนกว่าดวงอาทิตย์จะสดงคดเนี่ยนะถ้าไม่ค่ําจะเปิดทางให้มะงนันคือคือไอทางที่ไปเดินนี่มันตรงปากเหีวพอดีเพราะว่าจะไปอีกทางก็ไม่ได้ขึ้นเขาก็ไม่ได้ต้องเดินทางนี้ก็เสือมานอนขวางทางเอาไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอถึงนางจะอ้อนวอนยังไงก็อย่าให้ทางเป็นอันขาด จนกว่าเนี่ยนะจนกว่าจะเข้าอาศมด้วยแสงจันเนี่ยนะถ้าถ้าส่องด้วยแสงจันเมื่อไหร่ค่อยให้เข้าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าให้เข้ามาระหว่างนั้นไม่เห็นลูกวิ่งตามหาลูกอไปเจอแล้วมันปัญหามันจะวุ่นวายใหญ่โตไม่มีสิ้นสุดมางนกนเพราะฉะนั้นเทพพระเจ้าทั้งหลายได้ฟังเสียงคร่ำครวญของราชโกมารีก็ได้กล่าวกับเทพบุตรทั้งสามว่าท่านทั้งสามจงจำแรงกายเป็นสัตว์ได้ในป่าคือเป็นราชสีเสือโครงเสือเหลืองคอยการพระมัสยีราชบุตรี ยาพึงเสด็จกลับจากเสาะหาพลาผลแต่เย็นเลยเนี่ยนะคื อ, อยามาแต่วันน่ะนะเราพานมารึกในป่าอันเป็นเขตแดนของพวกเราก็อย่าได้เบียดเบียนพระนางเจ้าเลยทราชาสีเสือโคร่งเสือเหลืองพึงเบียดเบียนพระนางเจ้าผู้มีลักษณะพระชาลีพระราชกุมารจะไม่พึงมีพระชนอยู่พระกันหาชินาจะพึงมีพระชนอยู่แต่ไหนพระนางเจ้าผู้มีลักษณะจะพึงเสื่อมจากราชส า, ามีและปิยะปุตราทั้งสอง เนี่ยนะก็คือยังไงยังไงก็อย่าปล่อยให้เสือช้างแถวนั้นมันกัดเอาสะละเ่ย น, นะคือดูแลก็ดูแลให้มันรอดฟังนะอย่าให้เสือในป่ามาขบกัดเอาไปเดี๋ยวลูกตายหมดนะแม่ตายลูกก็ตายหมดอย่างนี้ประเวทสันดรเดือดร้อนแ น, ะน่นะเทวดารักษาเนี่ยนะคนมีบุญก็เป็นอย่างนี้แหละเทวดาก็ช่วยกันปกปักรักษาแต่ก็เทวดาเขาก็ช่วยในขอบเขต ท, ที่เขาพอจะช่วยได้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาจะเป่าเพียงเสกบันดลบันดาลให้เป็นอย่างเราคิดหมดไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก ท่า น, นก็ช่วยเราพอที่จะช่วยได้นั่นแหละครั้งเทพบุะบุทั้งสารับคำของเทวดาเหล่านั้นว่าสาธุต่างจำแรงกายเป็นราชสีเสือโครงเสือเหลืองมโนหนมอบเปรียงกันอยู่ในทางที่ผนางเจ้ามัสีนิเสด็จมาฝ่ายผนางมัสีเนี่หวั่นใจว่าวันนี้เราฝันร้ายจากหามูลพลาผลในป่ากลับอาสมแต่วันในี่นะใจนีคิดแล้วว่าอย่างนี้ต้องรีบกลับแต่วันหน่อยนะใจคิดไว้แต่เช้าแล้ว ก็เลยพิจารณาหามูลพลาผลทั้งหลายลําดับนั้นก็เกิดลางร้ายขึ้นมาว่าไอ้เสียมที่ถือมาดีๆมันก็หลุดมือเฉยๆยังนั้นนะนะถือมานะเหมือนกับว่ามันเบาแรงไปนะกำไม่แน่นเสียมหลุดอีกกระเช้าก็หลุดจากบ่าท่านเนคขวาก็คอมเนตเนี่ยนะตามันคอมเนเอาคอมเนเอ า, มเอาไม่รู้เป็นอะไรอนยะ่างนันพฤกษชาติที่มีผลก็เป็นเหมือนกับไม่มีผลดูตรงไหนไม่เห็นมีผลไม้สักผลเลยอนยะ่างนั้นพฤกษชาติ ที่ไม่เคยมีผลก็เหมือนกับว่ามีผลเพราะไปเก็บจริงดูไกลๆมันเหมือนมีผลไปจริงๆมันไม่ใช่ไอ้ต้นไหนที่เคยไปเก็บมันมีลูกเยอะแยะไปหมดแววันนี้ทำไมมันไม่ค่อยมีผลอย่างเงี้ย น, นะก็เป็นอันว่าหาผลไม้ยากเหมอนกันที่ทั้งปวงก็ไม่ปรากฏพระนางเจ้ามาสัสีก็พิจารณาว่าเอ้นี่มันอย่างไรหนอไม่เคยมีมาแต่ก่อนก็มามีในวันนี้เหตุการณ์อะไรจักมีแกเรา แกลูกทั้งสองของเราหรือแก่พระเวสสันดรมหาราชสามีกมังอะ น, นะพอคิดอย่างนี้ก็ตรัสว่าเสียมก็ตกจากมือของเราในตาข้างขวาเราก็ขมเณรุกชาติที่เคยมีผลก็หาผลไม่ได้ที่ทั้งที่ทั้งปวงเราก็ฟ้านเฟือนลุ่มหลงอะ น, นะไม่รู้เหนือรู้ใต้ไปหมดนะนะมันมึนงงไปหมดความดันอะไรมาเกิดตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันพระนางเจ้าสเสด็จมาสู่อาสมในเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตพานมฤกษ์ก็ปรากฏในหนทาง คือเรียกว่าเวลาใบ่ายเย็นๆนี่ก็กลับมาใช่ไหมเสือก็มานอนขวางทางซะอีกคั้นเมื่อพระสิทิ์โคจรลงต่ำอาสมก็ยังอยู่ไกลเราจักนำมูลพราผลใดไปในที่นี้เพื่อพระราชส า, ามีและลูกทั้งสองพระราชสวามีและลูกทั้งสองพึงสวยมูลพราผลอันเป็นของสวยนั้น พระบรมกษัตริย์ผู้พัสดาเสด็จอยู่ที่บรรณาศาลาแต่พระองค์เดียวแท้ๆทรงเห็นว่าเรายังไม่กลับก็จะทรงปลอบโยนโอรสพระธิดาผู้หิวะนะคิดว่าพ่อเขาคงปลอบใจลูกละมั้งเนาะว่าแม่เนี่ยกลับช้าไปลูกหิวสายจ ะ, ะปลอบลูกไปะนะลูกทั้งสองของเราเนี่เป็นกําพร้ราด้วยความเข็นใจเคยเสวยนมเคยเสวยน้ำในเวลาที่คนสามันเรียกให้อาหารในเวลาเย็น ลูกทั้งสองของเราเนี่ยเป็นกัาพร้าด้วยความเข็นใจะนะนึกถึงลูกะนะมีแม่ก็เหมือนกับลูกกํมพร้านี่แหละเห น, น, นเคยลุกยืนรับเราเป็นเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยแม่โคโนมลูกทั้งสองของเราเนี่ยเป็นกํมพราด้วยความเข็นใจหรือประหนึ่งลูกของยืนอยู่บนเปลือกตมคอยแม่ะนะก็บอกว่าลูกโคอ่อนที่คอยแม่โคะนะ ลูกหงยืนคอยแม่ลูกทั้งสองของเราเนี่ยกำพร้าด้วยความเขินใจเคยยืนรับเราอยู่แต่ที่ใกล้อาสมทางเดินไปมีเฉพาะทางเดียวเป็นทางเดินได้คนเดียวเพราะมีสะและที่ลุ่มลึกอยู่ข้างๆเราไม่เห็นทางอื่นซึ่งจะพึ่งแยกไปสู่อสมอะนะ้อหมดทางไปจริงๆอะทำยังไงนะร้องหาลูกก็แล้วร้องหาผักวก็แล้วทายังไงดี ก็นี่แหละหมดทางไปจริงๆก็นอบน้อมเสือก็ได้แบบนั้นๆๆก็เลยบอกข้าขอนอบน้อมพยาผ่านมรุคราะผู้มีกําลังมากในป่าบอกขอนอบน้อมเสือราชสีนี่แหละแบบนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ชายของข้าโดยธรรมนะขอยกให้ท่านเป็นพี่ที่เรียกว่าให้เป็นพี่นี่หมายความว่าท่านก็เป็นใหญ่ในป่าฉันก็เป็นใหญ่ในเมืองเอาท่านเป็นพี่ชายกันแล้วกันเพราะฉะนั้นขอท่านจงให้ทางแก่ข้าผู้ขอเทิด ข้าเป็นมเหสีของพระเวสสันดรผู้ราชบุตรผู้มีเสริผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแควนข้าผู้อนุวัตไม่ล่วงเกินพระราชสามีเหมือนนางศีดาผู้อนุวัตไม่ล่วงเกินพระรามราชสามีฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงให้ทางแก่ข้าแล้วไปพบลูกทั้งสองเพราะถึงเวลาเรียกกินอาหารเย็นแล้วส่วนข้าจะได้ไปพบชาลีและการหาชินาบุตรบุตรตรีทั้งสองของข้า รากไม้ผลไม้นี้มีมากและผักสานี้ก็มีไม่น้อยข่าให้เกึอกหนึ่งแต่มูลพลาผลนั้นแก่ท่านทั้งหลายเนี่ยนะแสดงว่าโอ้โหอาหารที่มาเนี่ยแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเลยนะแจกกันคนละครึ่งกันขอทางหน่อยกันละกันนะหมดทางไปก็ขอสงสวยกันละกันอนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้มักคาแก่ข้าผู้ขอเถิด นะพระมารดาของพวกข้าเป็นราชบุตรีพระราชบิดาของข้าก็เป็นราชบุตรท่านทั้งหลายจงเป็นพาดาคือเป็นพี่ชายของข้าโดยธรรมจงให้ทางแก่ข้าผู้ขอเทอิดเนี่ยนะอาจจะไปทางอื่นก็ไม่ได้จะขึ้นเขาก็ไม่ได้จะโจรลงเหวก็ไม่ได้เสือก็ น, นอนขวางทางหมดทางไปก็ขอแบ่งผลไม้ให้นับถือเป็นพี่นะขอไปขอมาก็ดวงอาทิตย์อัสดงคดแสงจันทร์ก็ขึ้นมานะ เทพบุตรจำแรงก็รู้เวลาว่าบัดนี้เป็นเวลาให้ทางแกพ่พระนางแล้วก็ลุกขึ้นหลีกไปเมื่อพระนางเจ้ามัตสีพิไรรำพันอยู่เหล่ามารึกจำแรงก็ได้ฟังพระวาจาอันอ่อนหวานประกอบไปด้วยความน่าเอ็นดูมากก็หลีกไปจากทางเสด็จนั้นเมื่อพ่านมารึกทั้งสามหายไปแล้วพระนางมัสสีก็เสด็จไปถึงอาสมในการนั้นเป็นวันปุรมีอุโบสถนะีวันเป็นวันขึ้นสิบ้าค่ำพอดีพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นเลยนะ พนางเจ้าก็เสด็จไปถึงที่ท้ายจงกรมไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยเห็นในที่นั้นนั้นปกติลูกจะต้องมายืนคอยใช่ไหมมาวันนี้เอาไม่คอยเนี่ยนะบอกว่าพรนางเจ้ามาสีเนี่ยพอไปถึงอาสมไม่เห็นก็เลยบอกว่าพะลูกน้อยทั้งสองขมุกขม่ำไปด้วยฝุ่นเคยลุกขึ้นยืนรับเราในประเทศที่นี้เหมือนกับลูกวัวอ่อนเนี่ยยืนคอยแม่โคโนมฉะนั้นพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขม่มไปด้วยฝุ่น เคยยืนต้อนรับแม่อยู่ตรงนี้ดุจหงยือนอยู่บนเปลือกตมฉะนั้นพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมำไปด้วยฝุ่นเคยยืนรับเราอยู่ที่ใกล้อสมนี้ลูกทั้งสองเคยร่าเริงหันษาวิ่งมาต้อนรับแม่ดุจมรึกชาติชูหูวิ่งเล่นไปโดยรอบฉะนั้นร่าเริงบันเทิงไปประหนึ่งยังหัวใจแม่ให้ยินดีวันนี้แม่ไม่เห็นชาลีและกันหาชินาลูกรักทั้งสองนั้น วันนี้แม่ละลูกทั้งสองออกไปหาผลไม้เหมือนแม่แพะแม่เนื้อและแม่นกพ้นไปจากรังและแม่ราชสีอยากจะได้เหยื่อละลูกเอาไว้แล้วก็ออกไปฉะนั้นเนี่ยนะเที่ยวแสวงหาเหยื่อมาเลี้ยงลูกนะี้ถึงลูกก็คิดแต่ว่าไม่มีเหยื่อแล้วลูกจะกินอะไรมแม่กลับมาก็ไม่เห็นชาลีและการหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นวันนี้แม่ไม่เห็นชาลีและการหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นซึ่งมีรอย พระบาทเนี่ยนะก้าวไปมาปรากฏอยู่ดุดรอยเท้าแห่งช้างข้างภูเขาและกองทรายที่ลูกทั้งสองกองเอาไว้ก็ยังเกลื่อนกล่อนอยู่ในที่ไม่ไกลอาศรมแม่ไม่เห็นลูกทั้งสองซึ่งเคยเอาทรายเนี่ยโปรยเล่นจนกายเนี่ยขมุกขมำไปด้วยฝุนวิ่งไปรอบๆวันนี้แม่ไม่เห็นชาลีและการหาชินาลูกรักทั้งสองซึ่งแต่ก่อนเคยต้อนรับแม่ผู้กลับมาจากป่าแต่ไกลวันนี้แม่ไม่เห็นลูกทั้งสองซึ่งคอยรับแม่ แลดูแม่แต่ไกลเหมือนกับลูกแพลูกเนื้อนี่นะวิ่งมาหาแม่ของตนแต่ไกลก็ผลมะตูมเหลืองนี้เป็นของเล่นของลูกทั้งสองตกอยู่แล้ววันนี้แม่ไม่เห็นชาลีและการหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นฐานทั้งสองของแม่เต็มไปด้วยน้ำนมแต่อกราวจะแตกทำลายวันนี้แม่ไม่เห็นชาลีและการหาชนาลูกรักทั้งสองนั้น ลูกชายหรือลูกหญิงเลือกดื่มนมอยู่บนตักของแม่ราวกับถันข้างหนึ่งของแม่จายานวันนี้แม่ไม่เห็นชาลีและการหาชีนาลูกรักทั้งสองนั้นเนะีก็ลูกยังดื่มนมอยู่เลยนะลูกก็หายไปลูกน้อยทั้งสองนี้ขมุกขอมอมไปด้วยฝุ่นใน ส, สายันสมัยมักเกลือกกลิ้งอยู่บนตักแม่แม่ไม่เห็นลูกทั้งสองเมื่อก่อนอาสมนี้นั้นปรากฏแก่เราราวกับมีมหรสพวันนี้แม่ไม่เห็นลูกทั้งสองนั้น อาสมเหมือนจะหมุนไปนี่อย่างไรอาสมมาสถานนี่เงียบเสียงทีเดียวปรากฏแกแม่แม้แต่ฝูงกาก็ไม่มีอยู่ลูกทั้งสองของแม่จากสิ้นชีวิตเสียแล้วเป็นแน่นี่อย่างไรอาสมนี่เงียบเสียงทีเดียวปรากฏแกแม่แม้ฝูงสกุลชาติคืนนกก็ไม่มีอยู่ลูกทั้งสองของแม่จากสิ้นชีวิตเสียแล้วแน่คิดไปคิดมาเอ๊รือว่าลูกมันตายแล้ว <laughs> นะก็เลยเอมันก็ทุกข์มากะนะ นามัซีพิลาบรำพันอยู่ด้วยประการชนนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระเวสสันดนปรปลงกระเช้าผลไม้เห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนิ่งเมื่อไม่เห็นพระโอรสธิดาในสำนักของภัะสดาคือสามีก็เลยถามว่านี่อย่างไรพระองค์ทรงนิ่งอยู่เออก็หม่อมฉันเนี่ยฝันในราตรีใจก็นึกอยู่แม้ฝูงกาฝูงนกก็ไม่มีอยู่ลูกทั้งสองของหม่อมฉันจักสิ้นชีวิตเสียแล้วแน่ข้าแต่พระลูกเจ้าพานมารึกในป่าที่ไร้ผล และเงียบสงัดได้กัดกินลูกทั้งสองของหม่อมชันเสียแล้วกำ ม, มังหรือว่าใครนําลูกทั้งสองของหม่อมชันไปเสียแล้วลูกทั้งสองของหม่อมชันพระองค์ให้เป็นทูตส่งไปเฝ้าพระเจ้าศรีวิราชกรุงเชตุดรหรือว่าเธอเป็นผู้ช่างตรัสเป็นที่รักบรรทมหลับในบรณารณศาลาหรือว่าเธอเนี่ยขวนขวายในการเล่นเสด็จออกไปข้างนอกหนอะ น, นะเอหรือว่าส่งไปเป็นทูตก็ไม่ใช่หรือว่านอนหลับในกระท่อม หรือว่าออกไปเล่นข้างนอกนะคิดไปคิดมาก็คิดไปเรื่อยนะตามตามคนฟุ้งอ่ะนะเรียกว่าช่วงนี้ก็ถ้าว่าตายก็เมาด้วยความรักลูกอ่ะนะคิดถึงลูกทุกประเภทนี้เป็นทุกประเภทไหนพุณนภาอ่นะมีอะไรชาติชาราพยาที่มรณะโสกะปริเทวทุกโทมานัสอุปายาตอัปิเยหินะก็คือพัดพราดจากของรักประสบกับสิ่งอันเป็นที่รักไม่สมปาถนาทุกนี้เป็นทุกไหน ทุกเพราะพลากพรากจากของรักเนี่ยนะก็ทุกเพราะไม่ประสบกับสิ่งอันเป็นที่รักนั่นเองนะเส้นพระเกศาของลูกทั้งสองก็ไม่ปรากฏพระหัตถ์และพระบาทก็มีลายตาข่ายก็ไม่ปรากฏเห็นลูกนกทั้งหลายโฉบคาบไปลูกทั้งสองของหม่อมชันใครนำไปเนี่ยนะก็ไปถามพระเวสสันดร น, นะอา้าวใครนำลูกไปทีนี้พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรเนี่ยนะ นิ่งอย่างเดียวเลยนะไปเจอบทนิ่งเข้าไปนี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงร้องให้ยังไงเขาเงียบอะ่ะ น, นาก็เลยทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่อมชันหม่อมชันนี่มีความผิดอย่างไรก็เลยทูลถามว่าการที่พระองค์ไม่ตรัสกับหม่อมชันนี้เป็นทุกยิ่งกว่าการที่วันนี้หม่อมชันไม่เห็นชาลีและการหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นเหมือนแผลที่ถูกแทงด้วยลูกศรการไม่เห็นลูกทั้งสองและพระองค์ไม่ตรัส กะหม่อมชันแม้นี่เป็นทุกซ้ำสองเหมือนลูกศอนแทงฮะไทยของหม่อมชันฉะนั้นนะไม่เจอลูกนี่มันก็ทุกข์หนักหนาอยู่แล้วนะสามีไม่พูดด้วยทุกข์หนักเข้าไปอีกนะมีก็เหมือนไม่มีไม่คุยด้วยสักอย่างนะเคยมีธุระด่วนแล้วโทรศัพท์ไม่มีไฟไหมหรือไฟดับหมดอะไรหมดติดต่อก็ติดตอ่ตดตอไม่ได้จะว่ามีก็ไม่ใช่แต่จะว่าไม่มีมันก็ไม่เชิงมันใช้งานไม่ได้นะมีสามีแล้วก็จะคุยด้วยธุระสาคัญพอนิ่งเฉยอีกไงนะก็ทุกซ้ำสองมาก ข้าแต่พระราชบุตรวันนี้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสกับหม่อมฉันตลอดราตรีนี้พรุ่งนี้เช้าช้ร้อยพระองค์จะได้ทอดพระเนตรเห็นหม่อมฉันป ร, ราศจากชีวิตตายเสียแล้วฟังกันเถอะถ้าไม่พูดด้วยเช้านี้ตายแน่เนี่ยทีนี้พระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าเราจะให้พระนางมัตสีเนี่ยละความโศกพระบุตรด้วยถ้อยคําหยาบเนี่ยนะก็สํานวน ร, ราวๆก็บอกหาเรื่องซะหน่อยให้เขาเบาใจหน่อยนะใ ห, ให้ไปทุกเรื่องอื่นแทนนะ เปลี่ยนเรื่องทุกจากทุกลูกไปทุกเรื่องอื่นแทนกันแล้วกันก็อบอกว่าเนี่ยซีเธอนี้เป็นราชบุตรมีรูปงามมียศไปส่อหาผลไม้แต่เช้าชไนจึงกลับมาเย็นนะเธอก็รูปสวยเที่ยวไปในป่าใครจะไปรู้อะไรใช่ไหมไปตั้งแต่เช้าอะไปเพิ่งมากลับมาปั่นนี้ว่างั้นซึ่งกาบอกว่าเธอนี้ไปป่ามาแต่เช้ากลับมาจนเย็นนี่อย่างไรตามธรรมดาหญิงที่ละเด็กเล็กๆในป่า จะเป็นหญิงมีสามีหรือไม่มีก็ก็ตามย่อมไม่เป็นอย่างนี้ความคิดแม้เพียงนี้ว่าลูกน้อยของเราจะเป็นอย่างไรหรือสามีของเราเนี่ยจะคิดอย่างไรดังนี้ก็ไม่ได้มีแก่เธอเธอไปแต่เช้าก็กลับมาด้วยแสงจังนทนี้เป็นโทษของความยากเข็ญของฉันนีนก็ถือว่าแหมความอพับของฉันนะว่างั้นเถอะน่ะสระัญญาไปแต่เช้าค่ำมาป่านนี้เพิ่งกลับมาว่างั้นแล้วมาถามหาลูกกันนะจริงก็ยั่วให้โกรธไปเรื่องอื่นไปก่อนงั้นแหะ คือจริงๆแล้วพระเวสสันดรท่านก็ไม่ได้คิดเป็นอื่นอยู่แล้วนะว่าว่านางจะไปยังไงอะไรยังไงความคิดอันนั้นก็ไม่มีอยู่แล้วแหละปานามัสีพอได้ฟังอย่างนั้นก็กล่าวว่าพระองค์นี้ได้ฟังเสียงกึกก้องของผานมฤติที่มาสู่สะเพื่อดื่มน้ําคือราชสีเสือโครงผู้บรรลือเสียงแล้วไม่ใช่หรืออันนะั้นบุพนิมิตได้เกิดมีแล้วแก่หม่อมชันผู้เที่ยวไปในปา่าเนี่ยนะเสียมก็หลุดจากมือของหม่อมชันกระเชาที่คล้องอยู่บนบ่า ก, ก็พลัดตก การนั้นหม่อมฉันตกใจกลัวเนี่ยนะที่จริงแล้ว่เวลานั้นอะ่ะคือเวลาไหนเวลาที่พระราชทานลูกพอดีเลยนะก็เกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมเสียมก็หลุดตาก็เขม่มันจะพร้อมกันพอดีเป๊ะในช่วงนั้นพอดีนะนางก็เลยพูดถึงเหตุการณ์ตรงนั้นในการนั้นหม่อมฉันตกใจกลัวได้ทําอัญเชิญไหว้ทิศ ต, ต่างๆทุกทิศด้วยปรารถนาว่าขอความปลอดโปร่งแต่ภัยนี้พึงมีแก่เราและพระราชบุตรของเราทั้งหลาย อันราชสีและเสือเหลืองอย่าได้เบียดเบียนเลยทั้งกุมารกุมารีทั้งสองอันมีป่าและเสือดาวอย่าได้มาจับต้องเลยพานมาลึกในป่าทั้งสามานะสมสัตว์คือราชสีเสือโครงเสือเหลืองเหล่านั้นพบหม่อมชันแล้วขวางทางไว้ด้วยเหตุนั้นหม่อมชันจึงได้กลับเ ย, ยนไปเนี่ยนะก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยพระโพ ธ, ธิสัตว์ตัดวาจาเท่านี้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีก ไม่พูดอีกจนสว่างเลยนะเงียบนั่งนิ่งเฉยๆนะยิ่งว่าท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่ทุกข์หรอกท่านก็ทุกข์เหมือนกันนะแต่ว่าพูดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะก็นิ่งอย่างเดียวก็ไม่ต้องห่วงเพราะอดีตชาติท่านเคยเป็นพระเตนีใบ้อยู่แล้วท่านนิ่งอยู่ได้นะสิบหกปีท่านไม่ขยับยังทําได้นะก็แค่นิ่งอีกคืนเดียวจะเป็นไรไปเนี่ยนะนะก็เลยนิ่งอย่างเดียวนะทีนี้พระมสสีพิลาปรำพันมีประการต่างๆ ต, ต, ตรัสว่าหม่อมชันผู้เป็นชตินีพรหมจาริณี บำรุงพระสวามีและลูกทั้งสองตลอดวันคืนดุดมานบบำรุงอาจารย์ม่อมชันนุ่งหม่มหนังเสือเหลืองนํามูลพลาผลในป่าประพฤติอยู่ตลอดวันเพราะใคร่ต่อพระองค์และบุตรทิดาม่อมชันนี่ฝนขมิ้นสีเหมือนทองนี้เพื่อทาลูกทั้งสองและนําผลมะตูมสุกเหลืองเพื่อถวายให้ทรงเล่นและนําผลไม้ทั้งหลายมาด้วยหวังว่าผลไม้เหล่านี้จะเป็นเครื่องเล่นของพระโอรส ธิดาแห่งพระองค์ข้าแต่บรมกษัตริย์ขอพระองค์พร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจงเสเวยสายบัวเง่าบัวกระจับประกอบด้วยรถหวานในน้อยนี้ขอพระองค์จงประทานดอกกุมุดแก่แม่ตันหาพระองค์จะได้ทอดพระเนตรพระกุมารผู้ประดับด้วยระเบียบดอกไม้ฟ้อนรําอยู่โปรดตรัสเรียกสองพระราชบุตรมาเถิดแม่กันหาชินาจะได้มานี่ข้าแต่พระองค์ผู้จอมทัพ พระองค์นี้ทรงพิจารณาดูแม่กันหาชินาผู้มีเสียงไพราะขณะเข้าไปสู่อาสมเราทั้งสองนี้ถูกในประเทศจากแ ว, ว่นแควนเป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันก็พระองค์ได้ทรงเห็นพระราชบุตรทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาบ้างหรือไม่นะถามไปถามมาก็เห็นลูกหรือเปล่าอย่างนั้นเรอยว่าหม่อมชันได้พูดถึงกรรมเก่าไปทําบาปอะไรมานักชัอรเยสงสัยจะได้ บริพาสสมณพราหมณ์ผู้มีพรหมจรรย์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าผู้มีศีลผู้เป็นพหูสูตรในโลกนี้ไว้กระมังจึงไม่ได้พบลูกทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินานึกถึงสงสัยไปด่าคนมีศีลเอาไว้มั้งเลยเนะีไม่ได้เห็นหน้าลูกมกั้งแ้วก็คิดไปต่างๆนานา น, านนะตามภาษาคนฟุ้งซ่านเรียกว่าพ่อวิปโยคทุกเพราะไม่เจอลูกเนี่ยนะแม้พระนางมัสยีก็พิราบรำพันอยู่อย่างนี้พระเวสสันดรมหาสัตว์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรด้วยเลย ท่านพระมหาสัต์ไม่ตรัส ด, ด้วยพระนางมัตสีก็หวั่นใจสเสด็จเที่ยวไปค้นหาพระโอรสพธิดาด้วยอาศัยแสงจันทไปถึงสถานที่ทั้งปวงนั้นนั้นมีต้นว่าเป็นต้นที่พระโอรสธิดาเนี่ยเคยเล่นก็คร่ำครวญเนี่ยไปที่ไหนก็ไปร้องหานะอยู่ในป่าเขาป่าลึกเนี่ยนะไปตรงไหนก็ไปร้องร้องไปมันก็เงียบหมดนะไปร้องกาอะไรกับป่าไม่ได้ยินอยู่แล้วเออพระองค์คร่ำครวญว่าลุกคชาติต่างๆเช่นไม่ว่า ไม้ย่างทรายซึ่งมีกิ่งห้อยย้อยอันหนึ่งลูกกระชาที่มีผลต่างๆเช่นไม้โพใบขนุนใสมะกวิดปรากฏอยู่ทั้งนั้นแต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่ที่ที่ลูกเคยเล่นเนี่ยอยู่หมดเลยแต่ว่าไม่เห็นลูกอะ่ะลูกทั้งสองเคยเล่นที่สวนและแม่น้ําซึ่งมีน้ําเย็นเคยทัศสงบุพชาติต่างๆบนภูผาและเคยเสเวยผลไม้ต่างๆบนภูผา แต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่ตุกตาช้างตุกตาหมาตุกตาวัวที่ลูกทั้งสองเคยเล่นอย่างปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่ครั้งนั้นฝูงมรึกและปักศีต่างออกจากที่อยู่เพราะสำเนียงเสียงคร่ำครวญและเสียงฝีผ่าบาดของผนางมรสีคือพูดไปร้องไปพูดไปหาไปเรื่อยในป่านะร้องไปร้องตรงไหนนกก็หนีอยู่แล้วกลางคืนนะใครเคยเที่ยวกลางคืนไปหาอะไรเนี่ยเวลาเดินไปเสียงดังๆนกมันจะบินหนีกัน เพรานกก็วิ่งเนื้อก็หนีอะไรเงี้ยนีก็ทนามาสัสซีพอเห็นสัตว์เหล่านั้นก็บอกว่าตุ๊กตาเนื้อสายทองตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตานกเขาและตุ๊กตาชมดเหล่านี้เป็นอันมากที่ลูกทั้งสองเคยเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่เหล่าตุ๊กตาหงตุ๊กตานกกเรียนและตุ๊กตานกยุงขนหางบิจิตเหล่านี้ลูกทั้งสองเคยเล่นปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสอง หาปรากฏไม่เนี่ยนะพระเวสสันดรท่านก็ปั้นพวกตุกตาทั้งหลายให้ลูกท่านเล่นนะนะทีนี้ก็ไอ้ตุกตานี้เห็นหมดอแต่ลูกไม่เห็นอะ่ระรก็ลูกไม่ได้เอาตุกตาไปนะเพราะถูกมัดมือไปจะเอาไปด้วยได้ยังไงทนายมสัสยีไม่เห็นพระปิยบุตรทั้งสองณ้าอาสมบทก็ออกจากที่อาสมบทเข้าไปสู่ป่าช่อ ด, ดอกไม้ทอดพระเนตรดูสถานที่นั้นๆแล้วก็ตรัสว่าผุ้ไม้ นะมีดอกตลอดการและสาบโบกขรณีที่น่ารื่นรมมีนกจากพราชส่งเสียงร้องด่าด่ไปด้วยมนทนดอกและปฐมอุบลซึ่งเป็นที่ลูกทั้งสองเคยเล่นอย่างปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่พนา ม, นมัศย์ในไม่ประสบพระปิยบุตรทั้งสองในที่รายๆก็เสด็จมาเฝ้าพระโพธิสัตว์อีกเห็นพระองค์เนี่ยมีพระพักเศร้าหมองไปเนี่ยนะกลับมาดูสังเกตดูเอ๊ะพระเวสสันดร น, นี่หน้าก็ดูไม่ผ่องใสเหมือนกันนะ ก็เลยบอกว่าพระองค์นี้ไม้ก่อมเรียกว่าไม้ไม่หักคือไม่หักไม้แห้งอ่ะปกติท่านก็จะเจริญกะสินยังไก็จะหักไม้หักอะไรมากองกององกองจะได้เพ่งไฟอ่ะนะงวันนี้ทำไมไม้แห้งก็ไม่หักน้ำก็ไม่นำมาไฟก็ไม่ติดเป็นไฉ น, นเนอะพระองค์นี้ดูเหมือนอ่อนแรงซบเซาอยู่ พระองค์นี้เป็นที่รักของหม่อมชันความทุกข์หายไปเพราะสมาคมกับพระองค์ผู้เป็นที่รักของหม่อมชันวันนี้หม่อมชันไม่เห็นลูกทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเนี่ยนะซึ่งอธิบายว่าข้าแต่พระสวามีเมื่อก่อนพระองค์นิหักฟืนนําน้ำมาตั้งเอาไว้ก่อไฟในกระเบื้องฐานเพลิงวันนี้พระองค์ไม่ทําแม้อย่างเดียวในเรื่องเหล่านั้นเป็นเหมือนอ่อนแรงซบเซาอยู่เพราะเหตุไรเนอะหม่อมชันไม่ชอบกิริยาของพระองค์เลยหวังงั้นเถอะ นะาทำไมนั่งนิ่งเงียบเลยนะหน้าก็เศร้ามองอย่างนันไม่ได้หลับทั้งคู่นะคืนนี้นะมาแต่เครียดกันจัดเลยเห่างนั้นบทว่าปิโยปีนัความว่าพระเวสสันดรเป็นที่รักของหม่อมชันคือเป็นที่รักของหม่อมชันยิ่งกว่าพระเวสสันดร น, นี้ไม่มีเมื่อก่อนความทุกข์ย่อมหายไปคือย่อมปราดไปเพราะมาสมาคมคือมาประชุมกับพระองค์ผู้เป็นที่รักของหม่อมชันนี้นะคือปกติเมื่อก่อนนะั้ไม่สบายใจอะไรกันเนี่ยนะ เขเห็นหน้าหน่อยก็หายหายล้แต่วันนี้หม่อมฉันเห็นพระองค์อยู่ความเศร้าโศกก็ไม่หายไปจะหายได้ยังไงเพราะคนที่ถูกเห็นก็โศกอยู่เหมือนกันนะคนโศกเห็นคนโศกมันจะไปหายโศกได้ยังไงมันกันนางก็เลยบอกไม่หายโศกเลยนะเหตุการณ์ที่หม่อมฉันเห็นแล้วจงยกไว้เถิดวันนี้หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองนั้นเพราะเหตุนั้นแม่หม่อมฉันเมื่อเห็นพระองค์อยู่ความเศร้าโศกก็ไม่หายเนี่ยนะปกติเนี่ย ไม่เห็นลูกเห็นหน้าสามีก็ยังหายเศร้าอยู่บ้างแล่วันนี้ไม่หายอะไรสักอย่างเลยเมื่อพระนางมัตสีกราบทูลถึงอย่างนี้พระมหาสัตว์ก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระโพธิสัตว์ไม่ตรัส ด, ด้วยพระนางมัตสีก็เต็มแน่นไปด้วยลูกศรคือความโศกพระกายนี้ก็สั่นเหมือนแม่ไก่ถูกตีเสด็จเที่ยวค้นหาตามที่เคยขนหาครั้งแรกแล้วก็กลับเข้ามาเฝ้าวิ่งไปก็ไปได้ไก ล, ลนะไม่เห็นไม่เห็นก็กลับมาถามอีก่ยนะ ข้าแต่สมุติเทพหม่อมฉันไม่พบคนที่นําลูกทั้งสองไปลูกทั้งสองคงสิ้นชีวิตแล้วฝูงกาฝูงลกทั้งหลายไม่มีอยู่ลูกทั้งลูกทั้งสองของหม่อมฉันคงสิ้นชีวิตเสียแล้วเป็นแน่พระนางมัตสีกราบทูลอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็เจริญวัดแบบคล้ายๆพระเตมีใบอ่อีกคือนิ่งอย่างเดียวหมอกันไม่พูดอะไรสักคําพระนางมัตสีนี่อันความโศกในเพราะ พระโอรสถูกต้องแล้วพิจารณาดูพระโอรสทั้งสองเที่ยวไปยังสถานที่นั้นๆด้วยความเร็วเหมือนกับลมถึงสามวาระน่ะวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะสามรอบได้ยินว่าสถานที่พระนางเจ้าเสด็จเที่ยวไปตลอดราตรีหนึ่งประมาณสิบห้าโยศสิบห้าโยศคูณสิบหกกิโลเมตรก็วิ่งไปวิ่งมาสองอยสิบกิโลเมตรเนี่ยนะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปเนี่ยนะมุ่นหมดเลยนะแสดงว่าวิ่งสัก ดีนะมาทำไมไปสะดุดอะไรซะก่อนเนี่ยเท้าแตกไปหมดนะนะใครเคยเดินกลางคืนนี่จะรู้ถ้ายิ่งแบบโบราณด้วยไม่มีรองเท้านี่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเท้าแตกหมดอ่ะ <c oughs> วิ่งไปวิ่งมาก็เลย240กิโลเมสว่างพอดีเนี่ยนะแต่ถ้าไม่วิ่งมั่งสายอกแตกตายเลยนะก็ได้วิ่งได้ผ่อนได้คลายได้เหนื่อยได้อะไรก็ยังพอผ่อนคลายไปบ้างราตรีสว่างอรุณขึ้นพระนางเจ้าก็มาประทับยืนคร่าครวญใกล้ชิดพระโพธิสัตว์อีกเนี่ยนะ พระนางมัตสีเนี่ยเที่ยว ร, ร่ําไรพี่ไร่รำพันตามภูผาป่าไม้ในเวิ้งเขาวงกดแล้วก็เสด็จกลับมาสู่อาสมอีกการแสงนะํานักพระพัสดาว่าข้าแต่สมมุติเทพหม่อมฉันไม่พบคนที่นําลูกทั้งสองไปลูกทั้งสองคงสิ้นชีวิตแล้วฝูงกาฝูงนกย่อมไม่มีอยู่ลูกทั้งสองของหม่อมฉันคงสิ้นชีวิตเสียแล้วเป็นแน่เมื่อพระนางมัตสีผู้ทรงชโสมผู้เป็นราชบุตรี พระเจ้ามัทราชผู้มียศเสด็จเที่ยวไปหน้าภูเขาและถ้ำทั้งหลายทรงประคองพระพาหาการแสงว่าข้าแต่สมมุติเทพหม่อมฉันไม่เห็นคนที่นำลูกทั้งสองของเราไปลูกทั้งสองคงสิ้นชีวิตแล้วด้วยประการเชนนี้แล้วก็ล้มลงหน้าภูมิภาคแทบพระยุควรบาตแห่งพระเวสสันดร น, นั่นเองร้องไปร้องมาเป็นลมเลยนะฟุบลงตรงนั้นแหละ ดูก่อนี่สูจน์ทงหลายพระนางมัสีผู้ทรงพระรูปอันอุดมผู้ชื่อว่าทรงโฉมนั้นเสด็จเที่ยวไปนครไม้เป็นต้นไม่เห็นพระโอรสที่ดาประคองแขนคร่ำครวนว่าลูกทั้งสองจักตายเสียแล้วเป็นแน่ดังนี้แล้วก็ล้มล ง, ลงนับภูมิภาคแทบพายุคนบาดของพระเวสสันดร น, นั่นเองเหมือนต้นกล้วยสีทองถูกตัดฉะนั้นเนี่ยนะลดับนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าพระองค์เนี่ยสัน ด้วยสำคัญว่าพระนางมัสีนี้สิ้นชีวิตเสียแล้วเนี่ยนะสั่นขึ้นมาทันทีเลยนะตกใจสะดุ้งขึ้นมาสั่นเลยรำพึงว่าพระมัสีนี้จะมาสิ้นชีวิตในที่ต่างด้าวอันไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะนี่ถ้าหากว่าเธอตายในเชตุดอนราชธานีเนี่ยนะเขาคิดไปว่าแหมไม่น่าจะตายในป่า น, น่าจะไปตายในเมืองหว่างั้นเถอะถ้าหากว่าตายในเมืองนะการบริหารก็จะเป็นการใหญ่รัฐทั้งสอง คือเมืองเชตุดรนกับเมืองมัทราตจะกระเทือนถึงกันถึงตัวเราอยู่ในอรัญญประเทศแต่ผู้เดียวเท่านั้นจะทําอย่างไรดีเนาเครียดไปเอาถ้าเธอตาแล้วจะทํำยังไงดีแล้วเนี่ยเขบอกว่าพอคํานึงอย่างนี้แล้วแม้เป็นผู้มีความโศกมีกําลังก็ทรงตั้งสติเอาไว้ให้มัน่นลุกขึ้นด้วยสําคัญว่าเราจะต้องรู้ให้แน่เสียก่อนจึงวางประหัตเบื้องขวาตรงหัตยวัตถุแห่งพระนางเจ้าเนี่ยนะก็ดูหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่านะมือไปทับภาพดูหนะ่อยสิ ก็ทราบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่ก็เลยไปนำน้ำมาด้วยพระเต้าเนี่ยนะก็ไปเอาน้ำมารู้ว่ายังไม่ตายนะตัวอาชีพจอนยังเต้นอยู่นี่แม้มิได้ทรงถูกต้องพระกายตลอด7เดือนแต่ก็ไม่อาจจะทรงกำหนดความที่พระองค์เป็นบัณประชิดเพราะความโศกมีกำลังตอนนั้นลืมเลยนะว่าใครเป็นนักบวชอนะไรไม่บวชไม่รู้นะลืมเลยลืมหมดว่าบวชอยู่นะ ก็เลยมีพระไทยเนี่ยคือในยตาเนี่ยเต็มไปด้วยอสุชนเนี่ยพระเวสสันดรก็ร้องให้เหมือนกันนั่นแหละน้ำตาไหลก็ช้อนพระเศียรของพระนางเจ้าขึ้นวางไว้บนเพลาเนี่ยนะพร้อมด้วยน้ํารูปพระพักและที่ตรงพระไทยประทับนั่งนะเอาน้ําไปรูปบๆมาแล้วก็ฟื้นเองไอ้ที่สงสัยสลบนิง่งส่ายวิ่งมาทั้งคืนเนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยมากทั้งคืนวิ่งไปวิ่งมาก็เลยล้มสลบไปฝ่ายพระแม่ศรีเนี่ยพอสักครู่หนึ่งก็กลับได้สติเข้าไปตั้งไว้ซึ่งยริและโอตตะปะ ลุกขึ้นกราบพระโพธิสัตว์ถามว่าข้าแต่พระสามีเนี่ยนะเวสันดรลูกทั้งสองของพระองค์ไปไหนพระโพธิสัตว์ก็บอกตรงๆว่าแนมัสซีฉันให้เพื่อเป็นทาสแก่พราหมณ์คนหนึ่งไปแล้วนะพอตรงนี้ก็บอกตรงๆว่าให้เป็นทาสไปแล้วก็บอกว่าวันนี้พระเวสันดรเนี่ยนะพอประพรมพระนางมัตซีราชบุตรีผู้ล้มลงด้วยน้ําทราบว่าพระนางเจ้าค่อยพระสํำราญทีนั้นก็กล่าวคํานี้กับพระนางว่า น่มสีฉันไม่ปรานาจะบอกเธอแต่แรกให้เป็นทุกเนี่ยนะคือคือไม่อยากจะบอกแต่แรกให้เป็นทุกขว่าพราหมณ์แกนี้เป็นยาจกเห็นใจมาสู่อาสมบุตรบุตรตรีฉันให้แกพราหมณ์นั้นแล้วแน่มสีเธออยากกลัวเลยเธอจงยินดีเถิดเธอจงเห็นแกฉันอย่าเห็นแกบุตรและบุตรตรีอนะ พูดคำนี้นะถ้าผัวเมียไม่ค่อยรักกันนี่ก็แย่กันนะให้เห็นแก่ฉันเนี่ยนะก็เลยด่าพระองค์ตอบเลยนะเพราะเห็นแก่เธอเนี่ยแหละเนี่ยนะจึงมาอยู่ป่าด้วยกันเนี่ยนะแต่ว่านี่เขาเป็นกันว่าเขาเขาเขามีเมตตาต่อกันดีนะก็เลยบอกอ้าเธอจงเห็นแก่ฉันนะอย่าเห็นแก่ลูกอย่าคร่ําครวญนักเลยเราทั้งสองมีชีวิตอยู่ไม่มีโรคก็จะได้อาจจะได้พบกับบุตรอีกเนี่ยนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงทัญญาหารทั้งทรัพย์อย่างอื่นในเรือน สัตบุรุษเห็นยาจกมาก็บริจาคทานดูก่อนมัสยิเธอจงอนุโมทนาปิยะบุตรทานอันเป็นอุ ด, ดมทานของฉันอนะให้เธออนุโมทนานะบุญทั้งหมดที่ฉันทําไปเป็นบุญที่สูงสุดให้เธออนุโมทนานะซึ่งอธิบายว่าถ้าฉันบอกเรื่องนี้แก่เธอเตทีแรกเมื่อเธอได้ฟังดังนั้นก็ไม่อาจจะกลั้นความโศกเอาไว้ได้หัวใจพึงแตกเพราะฉะนั้นฉันไม่ปรารถนาจะบอกแก่เธอแต่แรกให้เป็นทุกข์เนี่ยนะ นี่ขนาดไม่ให้เป็นทุกนะเนี่ยให้เป็นทุกขจะขนาดไหนนะะไม่เป็นทุกนะวิ่งทั้ง240กิโลเลยนะมาราทอนนี้ก็วิ่งขนาดนี้หรือเปล่าไม่ทราบวันเดียวนะบทว่าทัตชาสัปปุริโสทานนางความว่าสั์บุรุษเมื่อปรารถนาประโยชน์สูงสุดพึงพา อ, อกควักเนื้อหัวใจให้เป็นทานนะยะว่าแต่ลูกเลยถ้าทานที่สูงสุดนะควักตาให้เป็นทานก็ยังได้พา อ, อกให้เป็นทานก็ได้ พนางมัตสีก็กล่าวว่าข้าแต่สมมุติเทพหม่อมชั้นขออนุโมทนาปิยบุตรทานอันอุดมของพระองค์นะภาษาทูขออนุโมทนาด้วยคนอื่นยังไม่ทันได้ให้ก็ไม่ค่อยอนุโมทนายังไม่ค่อยได้นะถ้าฟื้นมาจากสลบนี้ไม่รู้อนุโมทนาขึ้นหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ท่านนางก็อนุโมทนาได้นะแสดงว่าใจนี้ก็ไม่ใครว่าสมแล้วที่ที่บำเพ็ญกุศลร่วมกันมานะน ะ, นะบอกว่าพระองค์นี้ทรงบริจาคทานแล้ว จงยังผ้หาหรือถ่ายให้เลื่อมใสก็คือคือยังเตือนพระองค์อีกนะเตือนพระเวสสันดรว่าขอให้พระองค์รักษาศรัทธาอันนี้เอาไว้นะขอจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดนะัแนะนําให้ทําให้ดีกว่านี้อีกเนี่ยนะก็ก็มีแม่บ้านบางคนเหมือนกันนะเคยถามเขาว่าเออนี่เวลาที่สา ม, มีคุณไปทํากุศลเนี่ยคุณเดือดร้อนไหมอะไรไหมบอกเขาไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกเขามีแต่บอกว่าเออทําให้มากๆกกว่านี้อีกนะยินดีให้ยิ่งกว่านี้เอ อ, อย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มี นะเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดข้าแต่พระชนาทิป ร, ราชเนี่ยนะคือพระราชาผู้ชนะอย่างยิ่งเนี่ยนะในเมื่อชนทั้งหลายผู้มีความตนีพระองค์ผู้ยังแวนแขวนของชาวซีพีให้เจริญได้ทรงบริจาคบุตรเป็นทานแก่พรามจริงๆแล้วปกติสัตว์ทั้งหลายเขาตนีกันแต่พระองค์ก็ยังให้ทานได้ บทว่าอนุโมทามิเตะอนุโมทามิก็คือสาธุขออนุโมทนาด้วยเนี่ยนะว่าพนางมัตสีทรงอุ้มพระครันสิบเดือนประสูติแล้วให้สนานให้ดื่มนมให้เสวยวันละสองสามครั้งประคับประคองพระลูกน้อยทั้งสองนั้นให้บนทมอุทธรประเทศคือให้นอนในท้องเนี่ยนะครั้นพระโพธิสัตว์พระราชทานพระลูกน้อยทั้งสองไปจึงทรงอนุโมทนาส่วนบุญเองพระนางมัตสีตรัสอย่างนี้ด้วยประการชนิดเหตุนี้พึงทราบว่า บิดาเท่านั้นเป็นเจ้าของเด็กๆทั้งหลายตรงนี้ให้รู้ว่าคือพ่อเนี่ยถือว่าเป็นใหญ่นะแม่ก็ขออนุโมทนาบุญอันนั้นบทว่าริโยทานังทโทโภพวะความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงเป็นผู้บริจาคทานบ่อยๆให้ยิ่งๆขึ้นไปเถิดทานอันพระองค์ทรงบริจาคดีแล้วด้วยประการชน้ขอพระองค์ผู้ได้พระราชทานพระปิยบุตร ทั้งสองในเมื่อสัตว์ทั้งหลายผู้มีความตรหนีนั้นจงยังพระหฤทัยให้เลื่อมสายเถิดเนี่ยนะก็แปลว่าให้ทานเสร็จแล้วก็ยังใจให้ดีใจนะให้โสมนัสเลยนะก็เท่ากับบอกว่าให้ทานแล้วไม่ต้องเสียใจในภายหลังให้โสมนัสเข้าไว้หมืงนกันเถอะนะแม่บ้านขนาดนี้ก็มีเหมือนกันนะเนที่ถ้าบอกทีแรกไม่รู้จักะนุโมทนาได้หรือเปล่าไม่ทราบ น, นะแต่ว่าตอนนี้แมก็ดีใจนะ พนางมัซซีทูลอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็ตรัสถึงเหตุอัศจรรย์ทั้งปวงมีแผ่นดินไหวเป็นต้นว่าแหนมัซซีนั่นเธอพูดอะไรถ้าฉันให้ลูกทั้งสองแล้วไม่ทําจิตให้เลื่อมสายความอัศจรรย์ทั้งหลายของฉันเหล่านี้ก็ไม่พึงเป็นไปแต่นั้นพนางมัสซีก็ประกาศความอัศจรรย์เหล่านั้นนั่นแหละเนี่ยนะก็คือเล่าเรื่องอนุโมทนาตอนแผ่นดินไหวตอนที่ตาขเมนเสียมหลุดอะไรนั่นแหละคือตอนที่แผ่นดินไหวนั่นเองเนี่ยนะ พระ อ, องค์ก็เลยตรัสว่าปัทภีเนี่ยลอลั่นเสียงสาธุกกาเนี่ยกล้องไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพคือชั้นดาวดึงเพราะพระ อ, องค์นี้ทรงบำเพ็ญปียบุทธธานสายฟ้าก็แวบว่าไปโดยรอบเสียงโกลาหนป ร, ปรากฏเหมือนกับเสียงภูเขาภูเขาถล่มทลายเนี่ยนะโอ้แผ่นดินไหวเนี่ยเหมือนกับภูเขาทลายเลย เทพนิกายทั้งสองคือนารทาและปัพพะตะเหล่านั้นคือเทวดาที่ชื่อนารทากับเทวดาที่รักษาเขาก็อนุโมทนาแก่พระเวสสันดรนั้นพระอินพระพรหมพระประชาบดีพระสมพระยมพระเวสสวรรค์มหาราชทั้งเทพพระเจ้าชั้นดาววดึงทั้งหมดพร้อมด้วยพระอินต่างอนุโมทนาทานของพระองค์พระนางมัซซีราชบุตรีผู้ทรงชมผู้มียศอนุโมทนาปียบุตรทานอนุดมแห่งพระเวสสันดรด้วยประการชนีเนี่ยนะก็อนุโมทนาได้ก็โอ้สาธุดีแล้วว่างั้น พวกไม่อนุโมทนาตอนนั้นไม่รู้ว่าข้ามฝังแล้วก็ยังไม่รู้นะพวกอนุโมทนาเขากระดับขันตีนี่พานหมดแล้วนะพวกที่หวงๆไม่เลยอะไรก็ไม่อนุโมทนาดีไม่ดีตำหนิคนอะไรใจจืดใจดํำให้ลูกเป็นทานพวกนี้ก็เฝ้าวัตตะต่อไปเนี่ยนะนะพวกที่อนุโมทนาเขาก็พ้นทุกไปนั่นะนะคล้ายกับพวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าลงทุนนะนะคุณเอา ปุ้ยเอ้เคยสำวว่าเอาเพืชไปหวานทำไมเนี่ยนะไปปลูกทำอะไรเนี่ยเอามาหุงกินซะดิ่นั้นนะว่าพวกพวกที่ไม่รู้จักอนุโมทนาก็คือบอกว่าแม้แต่พืชก็ไม่ยอมสละธรรมพันเนี่ยนะเสียดายมากก็เลยเก็บไว้หมดเลยกินหมดเกลี้ยงเลยเฉาตากัน พระโพธิสัตว์นี้ทรงสรรเสริญทานของพระองค์อย่างนี้แล้วพระนางมัตสีก็ทรงกลับเอาข้อความนั่นเองมาสรรเสริญว่าข้าแต่มหาราชเจ้าทานพระองค์ประทานดีแล้วดังนี้ก็อนุโมทนาแล้วก็นั่งกันอยู่เนี่ยนะก็อันนี้เรียกว่าจบมัตสีกันว่าจบตอนที่พนางมัตสีอนุโมทนาเ อ, อ่ยินดีโสมนาด้วยนะที่พระองค์ได้บริจาคทานไปของเรานี้แหมนึกด้วยใจจริงๆนั้นอุ้สาธุเนี่ยนะให้ลูกเป็นทานได้ดีจริงหนอ นะขออนุโมทนาด้วยนะแหมบุญอย่างนี้พระองค์ทําได้ยากเหลือเกินเนี่ยนะหม่อมชั้นทําไม่ได้ก็ขออนุโมทนากันแล้วการอย่างงี้ยอนุโมทนาด้วยกับสาธุเนี่ยนะนี่ถ้าพระองค์ไม่ให้บุตรเป็นทานอย่างนี้นะพระองค์ไม่ได้บรรลุรอ้องเนี่ยนะขออนุโมทนาด้วยกันแล้วการเหมือเกันเพราะในจริยาปิฎกท่านบอกว่าผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสก็ยังไปสุคติ จำกล่าวไปยายถึงผู้ที่ปฏิบัติตามเล่าห่วงกันเพราะฉะนั้นก็อนุมโมทนาร่วมกับท่านนี้ก็ดีแล้วเนี่ยนะ